45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนกุลสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอายักั์ ภศกุบาศิกาชาวกรุงโกสัมพีก็พากันคิดว่าพวกพิษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้เป็นผู้ทําให้พวกตนเสียหายเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรําคาญพระรอรทยัยด้วยพิสุเหล่านี้จึงได้ทรงหลีกปัดพวกตนก็ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจา้าจึงได้พร้อมใจกันงดการกราบไหว้ต้อนรับพระผู้วิวาทกัน งดการใส่บาปเรียกว่าความคันข้าวพวกพระเหล่านั้นจะหลีกไปหรือว่าจะสึกไปหรือว่าจะไปทำพระศัสดาให้พอพระหารุอไยใหม่ก็สุดแต่ฝ่ายพิสุชาวกรุงโกสัมพีทั้งสองฝ่ายซึ่งวิวาดกันเมื่อถูกชาวบ้านปฏิบัติดังนั้นก็ค่อยรู้สึกสานึกตัวและกลับหันหน้าเข้าหารือกันว่าจะทาอย่างไรในที่สุดก็ตกลงใจกันว่า จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงระงับอธิกรณ์อันนี้เมื่อได้ตกลงพร้อมกันแล้วก็พากันออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงสาวัตถีในตอนนี้ในคัมภี์อัตตกถาคือคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความของพระบาลีซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณพันปีแล้วได้เล่าว่าเมื่อพวกชาวบ้านพากันมดใส่บาตพระพิสุทธชาวโกสัมพีนั้นอยู่ในระหว่างเข้าพรรษา เหล่านั้นก็ต้องพากันอยู่จำพรรษาด้วยความเดือดร้อนจนตลอดไตรามาสครั้นออกพรรษาแล้วจึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข่าวเรื่องพระภิกษุชาวโกสัมพีเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แพร่ออกไปจนทราบถึงพุทธบริษัทในกรุงสาวัตถีในชั้นบาลีได้เล่าว่าพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงข้อที่ควรปฏิบัติต่อพระภิกษุชาวโกสัมพีเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงชี้แจงวิธีปฏิบัติเป็นพวกพวกไปในฝ่ายภิกษุบริษัทพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ดํารงอยู่โดยธรรม สารโบตก็ได้กราะทูลถามว่าจะพึงรู้ว่าเป็นธรรมหรือว่าอาธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุที่เป็นอธรรมมาวะทีคือผู้กล่าวไม่เป็นธรรมนั้นพึงทราบได้ด้วยวัตถุสิปข้อเมื่อรวมเป็นคู่ก็รด้กล่าวคู่คือคู่ที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรมคู่ที่สอง แสดงอห์วินัยว่าวินัยแสดงวินัยว่าอห์วินัยคู่ที่สามแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้คู่ที่สี่แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติว่าทรงประพฤติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติว่ามิได้ทรงประพฤติคู่ที่ห้า แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าไม่ได้ทรงบัญญัติคู่ที่หแสดงอนาบัตว่าอาบัตแสดงอาบัตว่าอนาบัตคู่ที่เจ็ดแสดงอาบัตเบาว่าอาบัตหนักแสดงอาบัตหนักว่าอาบัตเบาคู่ที่แปดแสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ แสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือคู่ที่เก้าแสดงอาบัตชั่วยากว่าไม่ชั่วยากแสดงอาบัตที่ไม่ชั่วยากว่าชั่วยากพิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้ก็ให้พึงรู้ว่าเป็นอาธรรมวาทีกล่าวไม่เป็นธรรมส่วนพิสุที่เป็นธรรมวาทีคือกล่าวเป็นธรรมนั้นก็พึงทราบด้วยวัตถุสิบปข้อ อันนีอัตถะคือเมื่อความตรงกันข้ามจากที่กล่าวมาแล้วคือคู่ที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าอธรรมแสดงธรรมว่าธรรมคู่ที่สองแสดงอัวินัยว่าอัฏวินยัยแสดงวินัยว่าวินยัยคู่ที่สามแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าไม่ได้ตรัสไว้แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าต ร, รัสไว้ว่าตรัสไว้ คู่ที่สี่แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ประพฤติว่ามิได้ประพฤติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าประพฤติว่าประพฤติคู่ที่ห้าแสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติว่ามิได้ทรงบัญญัติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติคู่ที่หกแสดงอนาบัติว่าอนาบัติแสดงอาบัติว่าอาบัติคู่ที่เจ็แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติเบา แสดงอาบัตหนักว่าอาบัตหนักคู่ที่แปแสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือแสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าไม่มีส่วนเหลือคู่ที่เก้าแสดงอาบัตชั่วยากว่าอาบัตชั่วยางแสดงอาบัตไม่ชั่วยากว่าอาบัตไม่ชั่วยากภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นธรรมวาทีกล่าวเป็นธรรมวัตถุฝ่ายอธรรมวาที ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการวิวาทกันจนถึงแตกร้าวกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพทกกรณะวัตถุแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องทำให้แตกกันส่วนวัตถุฝ่ายธรรมวาทีย่อมเป็นเครื่องทำให้ไม่แตกกันทำให้พรองดองกันโดยตรงกันข้ามและวัตถุฝ่ายอธรรมวาที18ข้อก้าคู่ดังกล่าวมานี้เป็นมูลเหตุแห่งวิวาทิกร ในคณะสงฆ์คืออธิกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการวิวาทกันการวิวาทกันนี้ไม่ใช่หมายถึงการวิวาทกันเรื่องเรื่องส่วนตัวของใครผู้ใดผู้หนึ่งแต่วิวาทกันคือทุ่มเถียงกันว่านี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยเป็นต้นตามคู่ทั้งเกาคู่นั้นเมื่อวิวาทกันแม้เพียงคู่ใดคู่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นวิวาท ที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวอันเรียกว่าอธิกรณ์ขึ้นได้และเมื่อเป็นวิวาทาธิกรขึ้นในสงแล้วก็ย่อมจกปั่นสงออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่มีความเห็นข้างนี้ฝ่ายที่มีความเห็นข้างโน้นเหมือนดังในเรื่องโกสังผีนี้ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเป็นอาบัตอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่เป็นอาบัตวัตถุของอาบัตนั้นวัตถุของอาบัตนั้นตามอัตกถา เล่าไว้ก็เพียงนิดเดียวคือเพียงเรื่องเหลือน้ําทิ้งไว้ในภาชนะน้ําในวัดจกักรดีเท่านั้นซึ่งก็เป็นอาบัตเพียงทุกกฏแต่ว่าอาศัยที่ทั้งสองฝ่ายเป็นขณาจารย์ซึ่งมีศิกขาคือศึกษามามากด้วยกันจึงต่างก็ไม่ยอมกันและก็ปฏิบัติต่อกันอย่างรุนแรงคือฝ่ายที่เห็นว่าเป็นอาบัตเมื่อได้โอกาสก็ประชุมพวกของตนแล้วก็ทําอุเบกษปณิยกรรม คือยกวัดแปลว่าตัดความเป็นผู้ใหญ่ไม่กราบไม่ไหว้และไม่ยอมร่วมทําอุโบสถทําสังฆกรรมกันทีเดียวฝ่ายที่ถูกทําเข้าดังนั้นก็ไม่ยอมเช่นกันก็เลยเกิดแตกกันขึ้นเป็นสองฝ่ายแตกกันจนแยกกันทําสังฆกรรมและเมื่อแยกกันทําสังฆกรรมก็เรียกว่าเป็นสังฆเภศคือความแตกของสงฆ์ถ้ายังไม่ถึงกับแยกกันทําสังฆกรรม ก็ยังไม่เป็นสังฆเภศแต่เรียกว่าเป็นสังฆราธีคือเป็นความร้าวรานของสงฆ์เท่านั้นครั้งเมื่อแยกกันทำสังฆกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นสังฆเภศความแตกของสงฆ์ภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะคือมีทำเป็นเครื่องอยู่ร่วมต่างๆกันเป็ น, นนานาสังวาสกะของกันและกันสังฆเภทตามที่เล่ามานี้ เกิดขึ้นจากวิวาทกันตามวัตถุ18ข้อ9คู่เหล่านั้นและเมาจับขึ้นพิจารณาดูแล้วสมุดฐานที่เดียวก็เพียงคู่ที่ว่าเป็นอาบัติกับไม่เป็นอาบัติเท่านั้นจัดเข้าในคู่นั้นแต่การปฏิบัติต่อกันนั้นปฏิบัติด้วยอาการที่รุนแรงและกล่าวมาแล้วสังคเพศสังคสามคธิ สังฆเภทดังกล่าวมานี้ท่านไม่ตรัว่ามีใครหรือฝ่ายไหนเป็นผู้ทําสังฆเพศที่เป็นอนันตริยกรรมดังอนันตริยกรรมห้าซึ่งมีข้อหนึ่งว่าทําสังฆเพทคราวนี้ถ้าจะยกปัญหาขึ้นมาว่าตามเรื่องที่เล่ามานี้ใครเป็นผู้ทําสังฆเพทซึ่งจะต้องเป็นอนันตริยกรรมตอบได้ตามเรื่องในโกสัมพิกกภิกษุทที่เล่านี้ ท่านไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทําสังฆเพศซึ่งเป็นอนันตริยกรรมและทั้งสองฝ่ายก็ไม่ถูกหาว่าเป็นผู้ทําสังคเพศที่เป็นอนันตริยกรรมดังกล่าวนั้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นแยกกันก็เพราะวิวาทคือทุ่มเทียงกันตามวัตถุที่กล่าวแล้วมีความเห็นแตกแยกกันประกอบด้วยทิฏฐิมานะเข้าใส่กันด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้แยกกันออกไปเป็นสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็เป็นผู้ที่บวชมาอย่างถูกต้องในพระธรรมวินัยนี้เสมอกันเป็นผู้ที่มุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยกันและก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้สงแตกแยกกันแต่ว่าเมื่อเกิดวิวาทกันขึ้นเกี่ยวกับพระวินยัยก็เป็นชนวนให้เกิดแตกแยกกันออกไปเองสงที่พร้อมเปลี่ยนกันอยู่เรียกว่าเป็นสมานสังวาสกัปคือมีทําเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกัน พึงทราบความหมายในเรื่องนี้ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเกิดวิวาทกันตามวัตถุดังกล่าวนั้นจนถึงเกิดความแตกแยกออกเป็นพวกเป็นฝ่ายแต่ว่ายังทําอุโบสถสังฆกรรมกันอยู่นี่ไม่เรียกว่าสังฆเพทแต่เรียกว่าสังฆราชีแสดงความร้าวรานของสงฆ์ครั้งแยกกันทําสังฆกรรมจึงเรียกว่าสังฆเภท ตามสังคเภทที่ได้เล่ามานี้ไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำซึ่งจะต้องเป็นอนันตระยกรรมพระทั้งสองฝ่ายนั้นก็คงเป็นพระพิสุิ์และต่อไปก็จะพรองรองกันตามเดิมท่านแสดงว่าเมื่อพระสารีบุตรได้ครัทำทูลถามและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบอย่างนั้นแล้วก็ได้มีพระเทรอนอื่นอีกหลายรูปเช่นพระมหาโมคลานะ พ ร, พระมหากัสสปะพระมหากัจจายนะเป็นต้นได้กราบทูลถามและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเช่นเดียวกันในฝ่ายภิกษุณีบริษัทพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้กราบทูลถามเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าให้ฟังธรรมในทั้งสองฝ่ายเมื่อฟังแล้วฝ่ายได้เป็นฝ่ายถูกและภิกษุณีสงพึงหวังจิตอันใดอันหนึ่งจากพิสุทธิสง ถ้าพึงหวังจิตทั้งหมดนั้นจากฝ่ายที่เป็นธรรมมาวธีในฝ่ายอุบาสกขรรษาบดีชื่ออนาถบินิกข์คือผู้สร้างพระเจตวันถวายก็ได้กราบทูลถามเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าให้ทําทานในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ฟังธรรมในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเมื่อฟังธรรมแล้วฝ่ายไหนเป็นธรรมมาวธีก็ให้ถือเอาตามฝ่ายนั้นในฝ่ายอุบาสิกา นางวิสาขาก็ได้กราบทูลถามเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ตรัสแก่อนาถปินธิกาในข้อนี้พึงสังเกตว่าในฝ่ายที่เกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกานั้นไม่ได้ตรัสห้ามการทำบุญใจบาปแต่ทรงแนะนำให้บเหาเพ็ญทางในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเหมือนกับในสงฆ์ทั่วๆไปภิษุชาวโกสัมพีได้ถูกความขันข้าวมาจากเมืองโกสัมพีแล้ว เมื่อมากรุงสวัสดียังมาถูกเข้าเชนั้นอีกก็คงจะอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเช่นนั้นเมื่อพิสูจน์ชาวโกสัมพีได้มาถึงกรุงสวัสดีก็ได้เข้าไปสู่พระเชตวันพระสารีบุตรจึงกราบทูลถามว่าจะจัดเสนาสนะให้พักอาศัยอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้จัดเสนาสนะให้ซึ่งเป็นเสนาสนะว่างถ้าเสนาสนะว่างไม่มี ก็ให้จัดทําให้ว่างขึ้นแต่ว่าตรัสสัง่งไม่ให้ห้ามกันสําหรับพิกสุที่แก่กว่าคือไม่รบกวนพิสุที่เป็นผู้แก่กว่าให้ได้รับความลาบากในส่วนอามิตรมีข้าวน้ําเป็นต้นก็ให้จัดแบ่งให้สม่ําเสมอกันฝ่ายภิกษุชาวโกสัมพีเมื่อมาถึงครองสาวัตถีได้มาพำนักอยู่ณพระเจตาวันและภิกษุที่ถูกสงยกวัด ก็ได้มาพิจารณาตนเองเห็นว่าต้องอาบัตและที่ถูกสงยกวัดนั้นก็เป็นธรรมจึงได้ เ, เข้าไปหาภิกษุซึ่งเป็นผู้อนุวัตตาตนกล่าวแสดงความรู้สึกให้ทราบและขอให้ภิกษุเหล่านั้นประชุมสง์เรียกเข้าหมู่คือระ ง, งับการยกวัดนั้นภิกษุที่เป็นฝ่ายของท่านก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้สงทราบ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอํานวยให้การเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่คือว่าระงับการยกวัดภิกษุที่เป็นฝ่ายของท่านก็ได้ประชุมกันกระทําการระงับอุเคปเนิยกรรมนั้นแล้วก็ได้ไปหาภิกษุอีกฝ่กายหนึ่งที่ได้ทําการยกวัดแต่แจ้งให้ทราบและจักชวนกันกระทําการสังฆสามคีคือการกระทําความพร้อมเพรียงของสงเพื่อสงบระงับอธิกรณ์นั้น ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติพระองค์ก็ได้ตรัสสอนให้ประชุมสงฆ์ทั้งหมดแม้พิกสุขไข่ก็ต้องมาเว้นไม่ได้ครั้งแล้วก็ให้สวดประกาศแจ้งความระงับอธิกรณ์ที่มังเกิดขึ้นครั้สนสวดประกาศแล้วก็ให้ทำอุโบสถคือสวดปาฏิโมกข์ขึ้นในขณะนั้นเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการทาสังฆสามัคคี ความพร้อมเพลียงของสงฆ์โดยเรียบร้อยภิกษุเหล่านั้นก็ได้พากันปฏิบัติดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีอุโบสถพิเศษอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าสังฆสามัคคีอุโบสถคืออุโบสถสวดพระปาฏิโมกเป็นการทําสังฆสามคัคคีตามเรื่องที่กล่าวมานี้ไม่ได้กําหนดว่าวันไหนเหมือนอย่างอุโบสถที่กําหนดทําอยู่โดยปกติ เมื่อเกิดสังฆเภทขึ้นและสงหาพร่องดองสามัคคีกันเป็นสังฆสามัคคีเมื่อใดก็ทำอุโบสถสวดปาฏิโมกขึ้นมานั้นเรียกว่าสามัคคีอุโบสถสังฆสามัคคีสองอย่างเมื่อพระสงฆ์ที่แตกแยกกัน ได้ทำสังฆสามัคคีกันเรียบร้อยแล้วท่านพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางส่งพระวินัยได้เข้าไปเฝ้าพระอุตจา์ได้กราบทูลถามว่าเมื่อเกิดสังฆเพศความแตกแห่งสง์สังฆราชีความราวรานแห่งสงขึ้นเพราะวัตถุคือมีเรื่องอันใลสงยังไม่ได้วินิจฉัยวัตถุอ น, นั้นได้ดาเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่ไม่ใช่เป็นมูลเหตุ กระทำสังขสามมคีสังขสามมคีนั้นประกอบด้วยธรรมหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสังรรขสามมคีนั้นไม่ประกอบด้วยธรรมท่านจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเมื่อเกิดสังขเภสังขราชีขึ้นพระเหตุอันใดสงวินิชัยวัตถุอันนั้นดำเนินไปถึงมูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุจึงกระทําสังรรขสามมคีสังรรขสามมคีนั้นประกอบด้วยธรรมหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสังสามมคีนั้นประกอบด้วยธรรมท่านยังกระทูลถามต่อไปว่าสังสามมคีความพร้อมเพลียงกันทองสงมีกี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีสองอย่างคืออย่างหนึ่งสังสารมคีที่ปราศจากอัตถะคือเนื้อความได้เพียงพยัญชนะคือถ้อยคำอีกอย่างหนึ่งสังสามคีที่เข้าถึง คือว่าได้ทั้งอัฏฐะคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคําและได้ตรัสอธิบายตามที่ได้กราบทูลถามต่อไปว่าสังฆสมคธิที่ปราศจากอัฏฐะคือว่าไม่ได้อัฏถะเนื้อความได้แต่พยัญชนะคือถ้อยคําก็คือในเมื่อเกิดสังฆเพศสังฆราชีขึ้นเพราะวัตถุใดสง์ไม่วินิจฉัยวัตถุนั้นดําเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่ไม่เป็นมูลเหตุ กระทำสังสารมคีนี้เรียกว่าสังสารมคีที่ไม่ได้อัดคือเนื้อความได้แต่พยัญชนะคือถ้อยคําส่วนเมื่อเกิดสังฆเพศสังฆราชีขึ้นเพราะวัตถุใดสงวิจฉัยวัตถุนั้นดําเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุกระทําสังสารมคีนี้เรียกว่าสังสารมคีที่ได้ทั้งอัฐะคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคํา หน้าพิจารณาตามพุทธภาษีนี้ว่ามีพระพุทธประสงค์สังฆสามัคคีคือความพร้อมเพรียงของสงฆ์ที่ได้ทั้งอัตถะคือเนื้อความได้ทั้งปัญชนะคือถ้อยคําหมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่สักว่าสังฆสามัคคีโดยถ้อยคําเท่านั้นแต่ให้ได้ความหมายว่าเป็นสังฆสามัคคีโดยแท้จริงด้วยคราวนี้สังฆสามัคคีดังกลาง่าวนี้จะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตรัสไว้นี้ คือสงวนวินิจฉัยวัตถุนั้นและก็จับมูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยโดยแท้จริงเมื่อปฏิบัติดบบนี้นแล้วสังฆสามัคคีนั้นจึงจะได้ทั้งอัตถะได้ทั้งพยัญชนะเพราะฉะนั้นเรื่องของฐานคณะสงฆ์จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้เมื่อเกิดความร้าวรานของสงฆ์ขึ้นจนถึงเกิดความแตกแยกของสงฆ์ขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบังคับให้ทําสังข้สามาคัคคีแต่ได้ทรงแนะนําให้พรองดองกันด้วยวิธีต่างๆจนถึงที่สุดชาวบ้านเข้ามาช่วยพระสงฆ์ที่แตกแยกกันนั้นจึงได้สําเร็จต้นและก็ได้หัวนึกถึงมูลเหตุแห่งความแตกแยกกันก็ได้พบว่ามีมูลเหตุมาจากเรื่องเพียงนิดเดียวคืออาบัตเล็กน้อยเพียงอันเดียวเท่านั้นซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นว่าเป็นอาบัต อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นรุนแรงว่าเป็นอาบัตจนถึงกับยกวัดขึ้นเมื่อจับมูลเหตุอันนี้ได้แล้วฝ่ายที่ไม่เห็นว่าเป็นอาบัตก็กลับเห็นว่าเป็นอาบัตแล้วก็ยอมสแสดงอาบัตเสียแล้วสงก็เรียกข้อมูลตามเดิมระงับการยกวัดนั้นดังนี้เรียกว่าสงวินิจฉัยวัตถุนั้นแล้วก็จับอํามูลเหตุจับมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยกันจริงๆเมื่อเป็นดังนี้ สังคสามาคีคือความพร้อมเพรียงของสงฆ์ก็เกิดขึ้นด้วยทั้งสองฝ่ายนั้นยอมปฏิบัติให้ถูกเพราะฉะนั้นความปรองดองกันนั้นจึงบังเกิดขึ้นด้วยทั้งสองฝ่ายนั้นกลับปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติและเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วสังคสามาคีก็บังเกิดขึ้นเป็นความพร้อมเพรียงที่มั่นคงที่ถาวรได้ทั้งอัฏฐคือเนื้อความ ได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคําเหตุให้แตกแยกนี้การตามที่กล่าวมานี้เป็นข้อที่ควรศึกษาถึงเรื่องความแตกแยกกันหรือว่าความพรองดองกันทางขณะสง์ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและจะมีได้เพราะอะไรเมื่อสรุปลงแล้วความแตกแยกของขณะสงนั้นก็มีมาจากคณะสง์เอง ซึ่งตามเรื่องดังกล่าวมาแล้วก็เกิดจากการวิวาทกันและความปลองดองของสงนั้นก็เกิดจากคณะสงฆ์เองที่ยกเรื่องขึ้นวินิจฉัยโดยที่จับเอาเรื่องมูลเหตุขึ้นมาจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุจริงๆมาวินิจฉัยกันแล้วก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนี้สังคสามาคคีก็บังเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าบุคคลภายนอกจากคณะสงฆ์จะเป็นใครก็ตาม จะมาทําให้เกิดสังขเภทขึ้นหรือทําให้เกิดสังขสามมาคีขึ้นไม่ได้และถ้าบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนาไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระไม่รู้ความละเอียดอ่อนของพระธรรมวินยัยก็ยิ่งไม่สามารถที่จะกระทําได้ในประวัติศาสตร์ตอนหลังๆมาก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นและได้มีการพยายามทํากันด้วยวิธีต่างๆหลายอย่าง แต่ว่าเมื่อเรื่องมันจะเป็นก็ไม่สามารถที่จะหยับยัางได้ก็เป็นไปเหมือนอย่างที่เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมานานเข้าก็แตกออกเป็นหีนญาณหรือว่าทักษินิกายอย่างที่นับถือกันในประเทศลังกาพมา่าไทยเป็นต้นและเป็นมหายานหรืออุตรนิกายอย่างที่นับถือกันในประเทศจีนยวนเกาหลีทิเบตเป็นต้นและในญาณใหญ่ๆทั้งสองนี้ ก็ยังแยกออกไปเป็นนิกายย่อยๆอีกเป็นอันมากเหมือนอย่างในเมืองไทยนี้ก็มีเป็นธรรมยุทธกับมหานิกายความที่แตกแยกอันนี้มีมาด้วยเหตุหลายอย่างเหมือนดังที่เล่ามาแล้วในเรื่องพิสุทชาวโกสัมพีแตกกันนี่ทั้งสองฝั่งต่างก็เคร่งครัดด้วยกันมุ่งจะทําให้ถูกด้วยกันแต่ว่ามาเกิดเข้าใจผิดกันในเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยอาวัตก็ตัวเล็กนิดเดียว แต่แล้วก็เกิดทิฏฐิมานะยืนยันกันไปจนถึงการแตกแยกกันแต่ว่าในต่อมายังมีเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเป็นอักมากเช่นว่าเกิดมีความเห็นในพระธรรมวินัยต่างกันเรียกว่ามีทิฏฐิต่างกันและเมื่อมีทิฏฐิต่างกันสีลคือความประพฤติก็ต่างกันออกไปด้วยต่างทิฏฐิและนอกจากนี้ยังมีความเคร่งครัดและย่อหย่อนประกอบเข้ามาอีก ที่เคร่งครัดก็คือเป็นผู้หนักในพระธรรมวินัยปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยพระธรรมวินัยด้วยความขอรบเอื้อเฟื้อไม่ให้ปิดพลาดแต่ว่าฝ่าที่ย่อหย่อนนั้นประพฤติย่อหย่อนลงมาลบเลี่ยงพระธรรมมวินัยบ้างฟื้นเอาดือด้อบ้างบางทีก็ต่อลาแสดงว่าประพฤติแต่ว่ารับหลังไม่ประพฤติไม่เห็นพระวินัยว่าเป็นข้อสําคัญอย่างพวกที่มีความคิดแบบใหม่ นี้เรียกว่าเป็นพวกยอ่อหย่อนคราวนี้เมื่อเป็นดังนี้ความประพฤติก็แตกต่างกันแล้วจะห น, นจะเกิดความแตกแยกออกไปไม่ได้เพราะว่าฝ่ายที่เคร่งครัดก็ย่อมจะยินดีพอใจอยู่กับฝ่ายที่เคร่งครัดด้วยกันฝ่ายที่ยอ่อหย่อนก็ย่อมจะยินดีพอใจกับฝ่ายที่ยอ่อหย่อนด้วยกันและเมื่อเกิดความยอ่อหย่อนกันขึ้นในข้อหนึง่งก็จะสืบเนื่องไปถึงข้ออื่นในเรื่องของพิสูจชาวโกสมถีนี้ อาบัตเล็กนิดเดียวเท่านั้นยังยกเป็นเหตุให้เกิดราชางแตกราวกันขึ้นแต่ว่ามาพิจารณาดูถึงความประพฤติยอดยนอ น, นก็เพงเห็นได้ว่ามีมากกว่าหรือว่าหนักกว่าเรื่องที่เป็นมูลเหตุในเรื่องที่พิสุขชาวโกสัมพีวิวาทกันอยู่นี้มากมายเ <fille> มื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็แยกกันไปเองต่างความเห็นและต่างความประฤติเพราะฉะนั้นความที่แยกกันไปเองนี้ ก็เพราะพระสงค์เองไม่ใช่คนอื่นมาทำคราวนี้เมื่อถึงคราวที่จะทำสังฆสามาคัคคีก็จะต้องพระสงค์เองนั่นแหละเป็นผู้ทำคือว่าจะต้องยกเอาข้อที่เป็นมูลเหตุจริงๆจากมูลเหตุนี้มาวินิจฉัยตามพระธรร ม, มวินยัยแล้วก็มุ่งปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยกันเป็นข้อข้อไปเมื่อเป็นดังนี้นั่นแหละจึงจะเกิดเป็นสังฆสามัคคีขึ้นไป ต้องพระสงฆ์เองเป็นผู้ที่ทำขึ้นส่วนบุคคลภายนอกนั้นได้เคยมีความพยายามดังที่กล่าวมาแล้วด้วยวิธีที่อ่อนโยนบ้างรุนแรงบ้างแต่ก็ไม่ปรากฏว่าสำเร็จพระสงฆ์ธรรมยุทธ์พระสงฆ์มอนเหมือนอย่างในเมืองมอนพระเจ้ามหาปิฎกทรทรงส่งพระที่หงสวดีไปบวชใหม่ที่หลังกา ในสีมาน้ําแม่น้ํากัละยาณีแล้วก็กลับมาเมืองมอนให้พระที่บวชมาใหม่นั้นผูกสีมาขึ้นแห่งหนึ่งที่ชายเมืองหงสาวดีตั้งชื่อว่าสีมากัละยาณีเมื่อผูกสีมาเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ออกพระราชกฤษฎีกาให้พระในเมืองมอนซึกออกมาบวชใหม่ทั้งหมดเพื่อจะรวมให้เป็นมิกายเดียวกันก็ปรากฏว่า ตามตำนานที่พระเมืองหมอเขียนไว้ว่ามีพระจนุนมากสึกออกมาบวชใหม่ในศีลมหากรรยาณีนั้นเกือบจะเรียกว่าทั้งประเทศถ้าไม่สึกออกมาบวชใหม่และยืนยันที่จะประพฤติย่อหย่อนอย่างเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็จะพระราชทานพระขาวให้สึกออกไปก็เป็นอันว่าท่านได้บวชพระใหม่กันทั้งประเทศสําเร็จในสมัยนั้นแต่แล้วเมื่อการเวลาร่วงมา พระมอ น, นั่นเองก็กลับแตกออกเป็นร่ากายอีกมากมายเพราะว่าจิตใจไม่ได้สมัรแต่ทำด้วยเกรงพระราชอํานาแต่ว่าพิจารณาการกระทำของท่านที่ผูกสีมาแล้วเอาพระมาบวชใหม่นั้นก็เพราะท่านจับมูลเหตุขึ้นอันหนึ่งเหมือนกันคือจับมูลเหตุที่ว่าสีมาที่ผูกไว้เก่านั้นไม่ถูกต้องเป็นสีมาวิบัตเมื่อบวชกันในสีมาวิบัติก็ไม่เป็นประสงค์ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงให้ไปผูกใหม่แล้วก็บวดกันใหม่ก็จับเอาเหตุเพียงประการเดียวขึ้นมาแต่ว่าเหตุในการแตกแยกกันนั้นมีมากมายไม่ใช่ประการเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รวมกันได้จริงๆก็ต้องยกเหตุมาทุกประเด็นทุกข้อและก็ต้องตกลงกันด้วยความสมัครใจเมื่อเป็นดังนี้นนแล้วเราก็จริงจถาวาล งานที่ทรงทำไว้นั้นก็สําเร็จอยู่ชั่วสมัยหนึ่งแล้วก็ไม่สําเร็จแต่ว่าการกระทําครั้งนั้นก็มีผลเลื่องมาถึงเมืองไทยคือว่าพระธรรมยุทธ์นี่บังเกิดขึ้นก็เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อผนวดอยู่ได้เสด็จไปทรงพบปะพระรามันที่โบดมาจากสีมากรายาณีที่เ่านี่แหละแล้วก็ทรงสอบสวนดูปรากฏว่า แสดงพระวินัยแสดงวงของการบรรจารวสมบทที่สืบเนื่องมาให้สรงเลื่อมใสได้จึงได้ทรงยติใหม่ในพระสงฆ์ที่บทมาจากสีมากรยาณีนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ากล้าวเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเล่า ว, ว่าได้ทรงทํำทันหีกรรมอุปสมบทใหม่หลายครั้งหลายผลโดยทรงรังเกียดนโนบ้างรังเกียดนี่บ้างทําแล้วทําเล่า จนเป็นที่พอพระราชาธิไทยการที่พระเจ้ามหาพิฎดทรงทรงส่งพระสงฆ์มอญไปบวชใหม่ที่สีมาแม่น้ํนกากาลยาณีในลังกาต่างพิเล่ามานั้นก็ไปบวชในสายของพระสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารซึ่งพระสงฆ์ฝ่ายนี้ได้สืบมาจากสายพระมหินที่ว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาโศมหาราชในสมัยที่สังขยนาครั้งที่สามพนุษเป็นพระพิสุทธิ์แล้ว ก็เป็นหัวหน้าคณะนําพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศลังกาเมื่อราวพระพุทธศาสนาล่วงแล้วสามรอยกว่าปีพระสงฆ์ลังกาทีแรกก็เป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์สายพระนหินทางนั้นแต่แล้วก็ไปแยกกันออกไปเป็นฝ่ายที่เคร่งครัดกับฝ่ายที่ไม่เคร่งครัดเป็นนิกายกันออกไปอีกแต่ว่าฝ่ายมหาวิหารนี้เป็นฝ่ายที่นับถือกันว่าเคร่งครัด พระเจ้าแผ่นดินหลังกาก็ได้ทรงนักถือสืบสืบกันมาโดยลําดับจนถึงสมัยพระเจ้ามหาปิฎกทรมของมอญทรงพระมอญไปบวชในสำนักของพระสงฆ์สายนี้แล้วก็มาตั้งขึ้นในเมืองมอญแล้วพระสงฆ์ธรรมยุทธ์และพระสงฆ์ธรรมยุทธ์ก็สืบมาจากพระสงฆ์สายนี้อีกทีหนึ่งรวมความก็เป็นสายของพระสงฆ์คณะมหาวิหารของหลังกานั่นเองแต่ว่าฝ่ายพระสงฆ์ธรรมยุทธ์นี้ เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระศิษิ์ก็บวชในคณะมหานิกายคือในนิกายที่มีอยู่เดิมมาทีหนึ่งแล้วแล้วก็ไปทําซ้ําหรือบวชซ้ําในพระสงฆ์สายสีมากลยาณีของมอญดังกล่าวแล้วเข้าอีกหนึ่งและทําอีกหลายหนก็เป็นอันว่าเป็นที่รวมทั้งของไทยที่รับสะสมกันมาแต่เดิมและทั้งของมอญสายมหาวิหาร นอกจากนั้นก็ยังได้รับเอาแบบของลังกามาปฏิบัติด้วยเช่นการสวดมนต์ตั้งแต่การขานนาคสวดธรรมวัดเช้าเย็นหรือสวดแบบธรรมยุทธ์ก็เอาแบบลังกามาใช้เพราะสำเนยียงลังกาที่ว่าภาษาบาลีนั้นเป็นที่นับถือกันว่าเป็นสากลถึงทางยุโรปอเมริกาก็กำหนดเสียงของการออกเสียงภาษาบาลีเหมือนอย่างที่ลังกาเช่นท่า ออกเสียงเป็นดักเทวะก็ออกเสียงเป็นเดวะเป็นต้นถึงจะเขียนเป็นอักษรโรมันก็ใช้ตัวดีเพราะฉะนั้นสำเนียงลังกาที่พระธรรมยุทธนำมาใช้อยู่นี้จึงเป็นสากลในปัจจุบันนี้ก็เป็นสำเนียงสากลเพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมที่ธรรมยุทธใช้อยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่เลือกผสมคือเป็นแบบของไทยมาเก่าวบ้างเป็นของรามันบ้าง เป็นของลังกาหรือที่ใช้เป็นแบบสากลบ้างแต่ว่าก็ต้องให้ถูกต้องในพระธรรมวินัยเรียกว่าเป็นแบบที่ปรับปรุงมาให้ถูกต้องตามพระธรรมวิน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก